น, นี้ก็เนี่นยไม่มาไม่มได้รูาจักกันแ ล, ลคนภาวนาเนี่รู้จักบุญคุณได้ชัดเจนนะถ้าจิตเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยรู้บุญคุณนี่ใครเกินพวกจิตตาภาวนาไม่นีคนไม่ภาวนาเนี่ะไม่รู้จักถึงจะบวชไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโท อันนี้พ อ, อกิจกล้าลงสุขความสงบแห่งความสุขคนนั้นเองโหคุณขา่าลึกถึงทอถึงแม่ถึงบุญถ้งคุณจะยอมถึงหมดเลย ค, คไนไ ม, ม่ภาวนาหนูเป็นช่วงๆภาษาอสานน่าเป็นซุ่งๆเวลาซุ่มมันออกดีกัดีซุ่มมันบ่ดีกัแม่นี่ครับว่ายุ่งก็ได้เด่งหลว่าไปตามภาษาเนื้เก็เนื้นก็ทะเลาะ ก, กันในโลก นี่ใครๆมาเอาของเราไม่ได้นะพอเราเข้าธนาคารประกาศถ้าถ้าเป็นเงินหัวกลัวนะเขาป้นได้นะนี้ยาไม่ได้นะเข้าละแสนหนึ่งด้หัวเงินยึดไม่ได้เลยเงินทองคำเราที่เข้าละแสนหนึ่งยึดไม่ได้เลยไปหาพ้นเราไปพ้นในธนาคารหนึ่งพ้นเก็ไม่ได้ยินนี่แค่ว่ามันสะดวกจริงๆนะทีนี้อาจจะมีบางคนพวกนั้นไปรับโลก ป่าไม้นี่เอาหรอกไม่ได้ทาพาลูกหลานทํานีาาน่นั่นเป็นเรื่องโลกเราไม่ปฏิเสธพอมีพอมีกําลังใจแต่ทางเราี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพอทําทเราได้ป่าไม้แล้วอุดมสมบูรณ์เราได้แล้วเราไม่ทำห ม, ม้อ โ, โล่ก็จะทาเอาอะไรใครจะจรยอแล้ว่องมายอดไม่ขึ้นขอเร่ป่าไม้เลยสมบูรณ์เราเราไม่อดไม่อยากลูกหลาน<ม>แล้วอุดมสมบูรณ์เรพอใจ มันยกไม่ยกไม่เกียงนะนี่หลวงพ่อเอาตรงนี้น่ะพวกนี้ต้องยกใครยกไม่ยกไม่ได้มันเสียใจแหมใจดําม่ต้องยกยกต้องยกต้องยอขั้นยกก็ต้องยกเนีต้องให้เกียดต่งนั้นโลกนี่จมคํานี่เป็นธรรมชาติเลยไม่มียกไม่ยกก็ตามเป็นธรรมชาติคงที่ดีงามภายในใจฉันจึงเกียรติตำหลักธรรมชาติเว้นทานอาหารอิ่แล้วใครจะว่าอิ่มเนี่ยไม่อิ่มนั่นนะ แต่ก็ต้องทานเองมีเหมือนกันต้องทำเองอครูบาอาจารย์เป็นแนะนำถึงสอนนะเป็นผู้แนะนาให้กําลังใจอันนี้แปลว่ายกฐานของจิตทำความปีติลึกมีกําลังใจมันก็ยกขึ้นมาท่านวะที่จริงท่านยกไม่ได้หรอแต่ว่าชี้หนทางถูกจุดแล้วก็จิตก็มีกาลังขึ้นมาค่อย า, าดีดจิตขึ้นมาได้ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกนะอคขาตะลึงอย่ามีบารีเ ร, รษษาตถาคตเป็นผู้บอกหนทางเดินคือก้าเดินไปตรงนี้ไม่ผิดเราทําให้ไม่ได้นะก็มีเพราเราเป็นแบบธรรมชาติาจริงๆแต่เป็นผู้ให้กําลังใจหรือผู้เป็นแนวหน้าพาดํานเนินนะเป็นกําลังใจสําคัญสำคัญในครั้งปฏิการจุพระหลังามากพระพุทธเจ้ามีโอ้กาลังใจการบําเพ็ญ สมัยนั้นจึงมีพระอริยบุคคลมากตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระรหัสบุคคลดีที่สุดที่บุคคลอย่างนี้เขาอยากได้ก็ไปเขียนติดป้ายเอากะนี่อะไรแป้งใจพระรหัสแล้วไปโฆษณากันไปติดเอาเลยให้ติดได้ง่ายๆโอ้ยง่ายจะตายแล้วไม่มาบวชนะเ้าก็จะให้เขาเขียนมาติดเชื่อเราเราได้อหรหัสแล้วหรือเป่าชอบอย่างนั้น มันชอบหาความจริงคิดต่างหรือที่มันได้อะไรที่เขายกมาให้หาลองว่าเราไม่หิวอาหารคุณยิบมแล้ ว, ลวเราอิ่มไหมเราอิ่มก็มีเหตุผลสักอย่างลงไปทัเหตุผลจึงเป็นหลักของพุทธศาสนาชั่นนึเขาคุณอิ่มแล้วนะเออตัวเองท้องว่างหรือจะไปอิ่มกับค้อื่ กินเองกินเองเี้ยอาถากินสามีกินอิอินพรรยาอิ่ออาก็ลองดูไม่เห็นมันแทนกันได้หรอกนี่ที่ท่านพูดด้วยเหตุด้วยผลจะทมพทรนะคุธเจ้านะตัดสรู้มาทุกพระองค์กี่กับกี่การกี่เท่าไรเ่เถอะไม่ลาสมายัยมีแต่ยกจิตบรรดาสัตว์โลก ให้มีความสงบล้มเย็นอยู่ด้วยกันล้มเย็นตลอดตลอดถึงสัตว์เลย<ม>ไปเกี่ยวโยงกันแต่คืนของจิตนี้มันไปเกี่ยวโยงความล้มเย็นหมดมองเห็นในสัตว์ก็พอพอกพอใจบางทีกระลอกแต่มันยกสองขาขึ้นมาเล่นกับเราเดิดนไปกันทางเส้นมันก็วิ่งไปด้านหน้าแล้วหนัหนหลังหน้ามาจะยกสองขาแล้วมัวิ่งไปเรื่อยเออมูงเจ้ากูก็เป็นนะเขามีความล้มเย็น ผมสบายนะครับผมกินผมสบายเลยนะอยู่อย่างนี้มันแต่ธรมรมชาติกินบอกยี่ห้อได้พานี้ว่า เ, เมตตาธรรมผู้มีธรรมพนใจหมดมตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ขายไม่มีขาดเมตตาเลยมีอย่างนั้นจึงว่าความสงบร่มเย็นแก่ใจเหนือกว่าพวกบุตุชนเอาใครก็เป็นบุตุชนมาเหมือนกันดิ้นรนเดือดร้อนรุ่นวายเี๋ยวขุ่นเย๋ยวใส เดือ้ทุกเดือ้ ย, อยากเด๋ยล้ลาบากเดือ้บน่นเดือ้ร้องให้มันไปตามกิริยาของจิตผลยิ่งทุกข์ก็กิริยาของจิตเป็นโทษกับของกิริยาของจิตาจ ต, ตามจิตไปว่าตัวเราเป็นของเรา น, นี่นี่นนี่เลยควรจะพรรษาแล้ว น, น, นนะดังสินเดียวถึงต่อไปก็เป็นอันนี้เราจะนับไปได้เฉยแล้วก็เราแก่ไปไมนใช่แล้วปีนี้รู้สึกว่า นะกําลังนี้ก็จริงแต่รู้สึกว่าอะไรอะไรมันเป็นขันร่างกายรู้ว่ามันไม่มีความสมถ้าพูดตามปกติของมันมันจะแสดงอยู่ตลอดเวลาคนไม่คิดที่เฉยโลกก็หาเพลงมาฟังบ้างดนตรีมาฟังบ้างพูดให้ถูกใจล่าเริงบ้างมันจะช่การช่วเวลาก็ผ่านไปผ่านไปนี่โลกอ น, นิจจังเลยไม่เห็นว่าคงที่ดีงามได้ตรงนันก็น่าจะคิดกัน เขาไม่คิดไปคิดใช่ไหมเห็นมันนี่ก็ผ่านไปนู่นพูดข้างล่างเออปีหน้าจะมาปีนั่นพูดไปนู่นมองไม่เห็นมันก็ไม่ได้มาผิดหวังทั้งหมดคิดทางหน้าท่านก็ไมคิดข้างหลังท่านไม่เคยคิดทําหน้าที่ปัจจุบันมีหน้าที่อะไรอยู่ในโลกผู้มีชาวไร่ชาวนาจะทําหน้าที่ในปัจจุบันของงเวันหนึ่งวันหนึ่เวลาจะตายก็แงบเดียวทั้งเอาอะไรที่ไม่มีอะไรตามตัวไปกินเป็นวันวไปผ่านไปผ่านไป สมบัติพัฒนาการก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งหินนี้เป็นเครื่องช้าเป็นปัจจัยสหรับเคื่อกูณหิ่งโลกมีอยู่ประจำโลกอย่างนี้มันไม่ได้ติดตามโดยคลื่นเสียงเท่านั้นเองก้าวเข้าไป mm. เครื่องคําจุนหนิ่งโลกก็คือทานนีไหมายถึงว่าวัตถุทานทิ้งไม่ได้ทั้งสามนี้ทิ้งไม่ได้ทานสีมภาวนาจะเป็นคู่เคืองกันตลอด mm. ถ้าคนไม่รู้รอบข้ากับปฏิปเสธปฏิเสธไม่ได้ทั้งสามทานสีมภาวนาทานเป็ น, เ, น, นปเครื่อง ปัจจัยสำคัญที่จะอยู่ที่จะอาศัยถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนในการบําเพ็ญศีลถ้าขาดตัวนี้ไปทีนี่ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีเหมือนคนทุกวันนี้ไม่มีทานเครื่องสนับสนุนคือไม่มีสมบัติดีนมากศีลธรรมก็เลยทิ้งเลยพอวิ่งตึงแก่หาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องมีตะบุญเรื่องนี้ใชบีบ ก, กันเอง หาความซื่อสัตย์จริงจีได้มาวิจีนไหนก็ตามก็คว้าเอาคว้าเอาคว้ามักมัดมไม่รู้จักขั้วจะพูนจะไปมาถึงบอกว่าทานจึงบอกว่าท่านจึงให้บําเพ็ญเพื่อเพื่อปูนหนุนโลกพวกความเป็นอยู่ที่เราจะมาเกิดแก่มัต่ส่งสารเมื่อมันหยิบน้ํารําบานี่แล้วมันก็มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก้าวเข้าไปความสัตว์ความจริงคือสิ่งคือธรรมอันนั้นถ้าตกสิ่งปุ๊บเต็มแต่จินห้าไปสายทางก้าวเดินไปความร่มเย็นตลอด ก้าวเข้าสู่วิพานสุดจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าตรงสุดนั่นปุ๊บในทันวะนิพพุติจันติที่เรียนสุขติจันติที่เลียนนาโฟกับธรรมปทาไม่ถ้าเรีอยู่ทานมัตถุอยู่นี้ได้เงินมาถ้าไม่มีเสียงปุ๊บในโลกลืมอำนาจก็เสียเหมือนคนรวยนีเป็นบ้าเพรเงินบ้าอำนาจเสียหายมากเสียงทํามดึงเรื่องรับประกันชีวิตของเราร้อยร้อยร้อยร้อยร้อยก็ตงบอกว่า แปดวันให้พากันได้หรืไม่ได้ก็แปดวันมันพรได้จินอะไรไม่ตายหรอกฐานก็อุปนิสัยคือสี่ห้าย่างลงไปให้มันได้นั่นแหละฐานสาคัญฐานมนุษย์ที่จะมาเกิดที่จะมาต่อรองกันในชีวิตที่เราจะมาเกิดในพบพบต่อไปเราก็ต้องสร้างในปัจจุบันนี้มันได้หรือว่าโอ้คุณค่าของพุทธิจิตไม่มีเลย มีแต่บอกช่องทางเดินออกตรงนี้หนาะมันทุกหนาเีย่ยเดินไปตรงนี้หนาะนอกนั้นมีแต่ไปหนามันก็มองไม่ได้ยิ่งพวกมันมีอุปนิสัยเลยมืดมิ ด, มดปิดตาก็ไปส่งไปเกิดแบบ น, นี้ก็พูด mm hmm. กับพวกมันนื่นพวกไหนที่บาปมากก็ไปเกิดนื่นแหละประเทศที่กินกันก็มีประเทศที่ไหนร่มร้อนที่สุดไม่มีพุทธศาสนาแต่นี่มันไม่มาหรอกคนไทยมันก็ไปเกิด <c oughs> เมืองซาอุเมืองอะไรไปนู่นเพราะสายโยงใจเกี่ยวข้องกันไม่มีอุปนิสัยไม่เกี่ยวโยกมันก็ไปตามเรื่องไปตามกรรมกรรมช่ว น, นโยนลงไปในทางที่ชั่วมีนี้ <c oughs> เด็ดเหล็กแดงหรือไม่เต็มฟืนแต่ไฟเผาอยู่ตอลอดเวลาเกินผู้ว่าอาจารย์ผู้ท่านมียานท่านรู้กอเห็ น, นท่านหลดใจน้ำตาร่วงท่านหลดท่านนั้นแหละ มันลืมมันมองอะไรไม่เห็นน้ำตาลกสองวันสามวันก็มีสะบัดสะอึ้นพวกนี้ก็มาโอ้ยท่านน้อยใจแล้วคิดถึงใครแบบนี้นโลกนี่มีมีรู้เรื่อง พ, พวกกระพงม่รู้เรื่องนี้แต่เรื่องยุ่งถ้าคนมีศีลมีธรรมนะมการหาสมบัติมันหกเป็นความร่มเรินเองหกเป็นไปเองตามหลักธรรมชาติ ที่ได้มาเขารเรียกความสงบร่วงเย็นไม่มีคือมีไฟมาเปลากันทําย่างคุ้มคลองคุ้มคลองไปตั้งแต่ขั้นตัำถึนถึงขั้นสูงสุดมีแต่เบาอย่างเดียวมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีโทษอย่างเดียวอืเบาขึ้นเรืเเ่อยๆเรื่อยๆจิตมันก็บิวขึ้นเรื่อยเบาขึ้นเรื่อยเบาขึ้นเรื่อยถึงขั้นสงบมันก็ลงทันทีเนี่ยเพราะเราเจนขาแเราปังพลังพลายสารลงทีเดียวที<ะ>่บอกกษามาหมดเดียวถึงเลย ทิงที่เดียวทํานน้เองท่านจะมีพ่อไม่แม่มีพ่อแม่กุญแจมั่นเป็นแบบฉบับหาดันนั้นหายากนะผู้มีคุณธรรมภาะใจที่พาดำเนินนีน่หาย า, ากมีผู้จะฐานที่ดีก็ตามแต่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนนี่ยากฉะนั้นศัพมันก็ไกกด้ดตัดรูปหมดที่ถือสร้างอะไรผู้นำเป็นผู้สำคัญ อยาเข้าใจเรียนจำมาจำมาไปปฏิบัติเยอะอย่ยาหวังไปลองดูเพราะความจำกับความจริงนี่ก้าเดินคิดกันไม่ได้ปฏิเสธอันนั้นเป็นหลักวิชายีา mm ่ hmm. ถ้าไม่เจอคงจริงก็หลงตัวเอง mm hmm. อย่นี mm ้ท hmm. านั้นเรียนจบมากๆก็ไม่มีราคภตัญหาไม่มีขี้เหร่สิเห็นไหมพวกจบทั้งโลกโด็อกเตอร์ ม, มากเป็นจะต่อยกันจนนัวกันนลยหมีไม่ดีเป็นอนํานาจของผิขิมานะเสริม จิตใจที่ยังไม่มีคุณธรรมหรือไม่มีศีลมีธรรมไม่มีความซื่อสัตจจริงเขาเป็นที่เลี้ยงเป็นอันตรายต่อโลกทีเดียวรเรียนพุทโธตัวเดียวเท่านั้นก็จบอันนั้นเป็นบุญญาพิการของผู้มีวาสนาการศาึกษาเราเรียนเป็นแต่ละองค์ระองค์เราเรียนจบตัวเดียวนี่โอ้ยเลิศเลยใช่จะให้ไปเลยใชนเราก็อยากไปเหมือนกันจแม่ไปไม่ได้ถ้าบีก็จะเอา มาอยู่ก็แค่อยู่แค่กินแค่ยุ่งแค่วุ่นแค่วายปฏิบัติต่อร่างกายวันหนึ่งวันหนึ่งก็ทั้งอาบน้ําทั้งบินสะบัดมัดฉันทุกวันทุกวันก็ผ่านไปแก่ไปทุกวันการเจ็บป่วยมันก็ไม่มองเราหิย้อนเข้ามาคิดตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันจิตมันก็เก้าวมันก็หักไปในตัวของมันขอให้ย้อนมาพิจารณาตัวเองหน่อยนั่นเองยิ่งเตือนที่มาอยู่ปีนี้ก็บอก น้อยลูกหลานที่น้องทุกคนถ้าอดกั้นไม่ได้ก็แปดวันได้ถินห้าวันหนึ่งถินไม่จันเป็นตะขอหกไข่ก็งดตามที่ท่านบอกเท่านั้นเองเบื้องต้นเพราะเรามันอยากยังมองไม่เห็นงดตามมาไม่ฆ่าสัตว์อย่างที่ท่านทำเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องวิจารณ์อะไรมากอิจิเดชวิจารณ์ไปไม่รับทัพย์สักอย่างอย่าทำเท่นั้นเองจบแล้วถินห้าตัวไม่ต้องไปคิดอะไรมาก นานไปนานไปนานไปบาลานีนเกต้ามันจะมันจะให้ควเองสติปัญญาหรือปัญญาตัวนั้นจะมาคุ้มครอ ง, อ, ง, อ, งอันนี้มันจะไม่ได้ปัญญาก็ต้องให้เป็นสมาธิมั่นคงในสี่ห้าเลยไม่ทําลายการที่บอกัะไรหละยต้องมันจะคิดขึ้นมาก็ตามปุ๊ดไม่ทำอะไรใจกินมันจะวนไปจะชักมันไม่สนไม่ขาดที่อยากพอตัดขึ้นของที่เหลือตัางหาเอืม เจ้ามันได้ง่ายเลยนะท่านจะสร้างมาอย่างนี้เนียผู้ปฏิบัตสาวกสร้างมาที่แหลกแตทานตั้งแต่ปลูกไม้ตามถนนหนทางตอนด้ร่มเย็นก็เป็นบุญแล้วเนะี่ยมีความสุขแล้วบุญหมดมีอยู่กับตัวเราทุกเห็นทุกหนหมดเลย ใครซึ่งกันในกานเวลาโกรธมาไม่ทะเลาะก็เป็นบุญแล้วเนี่ยหมดทำนี้มีแต่ปดเปื้อย่างเดียวมันสมจริงในวาณกรรมสิสัตวนำออกนำกองทุกออกอย่างเดียวท่านพูดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นหรือเรามีิรกิ็จริงแต่เราเชื่อร้อยเปอร์เนำออกฉันวานิยามกรรมสติสัตนำกิเลสออกหมดออกจากหัวใจ ถ้ากิเลสยังมีเมื่อเกิดมีจะนำทุกข์ออกมาสมุทัยจในทุกเกิดนะ่ะตัวก่เลสจะเป็นตัวสมุทัยทั้งหมดนะตัวหารื่มยุ่งตัวขนทุกข์เข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็ไม่จริงนะฉันเต็บอกใครอยู่ที่ไหนยอยู่ใ น, นไร่ในานาในสวนก็จริงทําอะไรอยู่อย่าลืม อย่าลืมสี่งลืมทำสิ่งเหล่านั้นป่าวกระจุกไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่จะให้ความร่มเย็นถ้าตัวนี้เข้าไปมีเถื่อเสริมจิตใจด้วยเสริมความรู้ให้มีคุณค่าแต่โลกแก่ทองครามึ้นมาเกี่ยโยงซึ่งกันและกันเพราะความดีงามหรือความซื่อสัตย์ถึงจริตที่พระแม่จะมันต่อไปดีไม่มีโทษท่านพูดีเน้นลงไปเลยแทบเพียว่าเป็นคติเท่าที่อ่านหนังสือเีย ท่านจะเอาขึ้นนี่เป็นข้าติดีไม่มีโทษดีเลิศนะมุช่าอะไรสิงที่เป็นโทษทจริงอันที่มึงบอกมึงบอกน้ำทางเดินั้งแต่ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรสิห้าก็ไม่ได้เสียีออไไไย่ไม่ต้องมาถือขันมาขอมายังทันเตอะไรอันนั้นคนไม่รู้จักท่านก็บอกคนนั้นเองถ้ารู้แล้วจะไปทําอะไรอ ก็ปฏิบัติให้มันได้